ว่าเวาก็าได้สวดบทสนะ่สรรเสริญพุทธคุณร้อยบทนะก็ปกติก็ไม่ค่อยได้สวดกันมันก็มีที่มาที่ไปที่ก็น่าศึกษานะน่าสนใจมันเป็นบทที่เรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนาะท่าน ส, น ส, นสรรเสริญพระพุทธองค์แต่จริงสาวกรูปนี้ท่าน แต่ก่อนท่านก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านะท่านเป็นถึงประมาณนะัเป็นสิทธิเอกสิทธิเอกคนที่มีปัญญาในของของลัทธินะที่สมัยนี้เลยว่าลัทธิพวกเชต น, นะะพระมหาวีระนมหาวีระเหมือนสมัยมีก่อนพระพุทธเจ้านะท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เผยแพร่ลัทธินะ ในเรื่องความแบบเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆนะเรออือผ้าก็ไม่ใส่วนะัดก็ไม่ต้องมีแม้แต่บาทเองก็ไม่ต้องมีนะเวลาไปบินทบาทก็ก็คือใช้มือเอานะให้โยมพราตักให้ทีละช้อนนะกินทีละช้อนในนั้นะสิ่งที่ ม, มีเพียงแค่แบบไม้คล้ายๆไม้ปัดมแมลงเลยเฉยๆ ไม่มีอะไรเลยนะปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่พอพระเจ้าท่านมาตัศรูแล้วก็นี่แหละก็เหมือนมหาวิรส่งสิทธิ์เอศคนนี้นะคล้ายๆมาเหมือนโตโตธรรมะนะโตวาทีกับพระพุทธองค์พระองค์ก็เขาถามมาอย่างไรท่านก็ตอบไปอย่างนั้นนะถามมาตอบไป บางทั้งเขานับถือพระพุทธเจ้านะหมดใจเปลี่ยนนะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธเจ้าเริ่นับถือทางรัธิอ่ารัติเดิมพ อ, อมหาวีระเองประมาณว่าเอ๊ะไม่เห็นกลับไปหาอา เป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยเหมือนคล้ายๆมามาดูมาถามมาตามเนาะนะพอมาถึงที่บ้านเนะี่ยแต่บุกติดไม่ไม่เรียกว่าไม่ตอนรับขับสู้เหมือนเดิมอนะ่นะพอมาถึงเนะี่ยก็เนี่ยแหละก็เชิญมหาวิระนั่งลงเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ให้เขาความเคารพเหมือนเดิมมนะันะนะแล้วก็อธิบายเนะี่ย ผู้สนับสนุนรรคุณพระพุทธเจ้าทำร้อยบทนี่แหละให้มหาวีระฟังท่านก็ฟังนะแต่ฟังไปก็เหมือนเริ่มหนักใจขึ้นเรื่อยๆนะหนักใจนเรื่อยๆนยเขาว่าพอท่านฟังเสร็จเนะี่ยเหมือนคล้ายๆมันกระอักกระเลือดเลยนะจากนั้นก็แบบไม่นานท่านก็เนี่ยก็ป่วยนะ ก, ก็เรือดมาเสียใจมากที่ประมาณว่าลูกศิษย์เอกนะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธเจ้านะยิ่งพอได้ยินคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าตอนหน้าต่อตาแล้วก็แบบป่วยป่วยหนักเลยคล้ายนะคล้ายเหมือนอาจารย์สันชัยเวรันตมบุตรนะที่ไปเจ้าลทัทธิตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าท่านเผยแผ่ธรรมะใหม่ๆนะที่ พรภาษาริบุตรแล้วก็พระโมคคารนะนะชวนอาจารย์สัญชัยที่เป็นอาจารย์เดิมของตนนะมามาศึกษาธรรมะกับผู้เจ้าเจ้าเนะอาจารย์สัญชัยก็บอกถามภาษาริบุตรพระโมคคานะอคนงโง่หรือคนฉลาดอไหนมากกว่ากันภาษาริบุตรพระโมคคานะก็บอก ในโลกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คนโง่มากกว่าคนฉลาดมีน้อยกว่าออดังนั้นพวกเธอเป็นคนฉลาดนะก็ก็ไปอยู่กับพู้เจ้าเจ้าก็ได้นะส่วนเราจะสอนคนโง่เองนะอาจารย์สันชัยก็ยังใจกว้างกว่าน่อยนะไม่ถึงว่าก็ไม่ห้ามนะี่ลูกศิษย์มาชวนก็ก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไรก็ไม่ห้ามก็ บอกพวกเธอฉลาดก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะส่วนเราเองก็จะสอนสอนคนที่เหลือหรือสอนคนอื่นที่ยังง่โง่งงอยู่แต่พอพระสาริบุตรพระโมคคานภะาบริวาร น, นะเดินออกจากสำนักนะจะมาที่เวรุวันอาจารย์สัญชัยก็ก็กระอักเลือดก็ป่วยเหมือนกันนะนะคล้ายๆว่า เท่าที่สราบนะก็สองสองท่านนี้นะก็มีอาการคล้ายๆกันนะพอศิษย์เอกแยกตัวออกมานะมาอยู่กับพระเจ้าทั้งสองท่านก็ก็ป่วยแล้ว ก, แวก็แล้วก็เสียชีวิตลงนะมันก็เป็นเรื่องที่ก็น่าน่าเรียนรู้นะคือพอบางคน ตั้งต น, เ ป, นเป็นเจ้ารัธิเนาะเป็นเจ้ารัติเป็นอาจารย์นะเมื่อเกิดเนี่ยเมื่อเกิดความเรียกว่าสูญเสียรู้สิษยคนสําคัญนะหรือเกิดความเกิดเจ้ารัธิใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาสั่นคอนขึ้นไปหมานถึงว่าศรัทธาญาติโยมหลายคนสันทนไปจากตนเนี่ยมันรู้สึกเดือดร้อน รู้สึกเสียเซลนะ่เสียความมั่นใจในในตัวเองนะไอที่ว่าปล่อยวางมันก็ไม่ปล่อยวางอนะไอที่สอนขั้นบรรลุธรรมจริงๆมันก็ไม่บรรลุธรรมจริงๆละเพราะว่ามันจะเห็นนะว่าเนี่ยมันมัน ม, มันไม่อยากเสียอัตราบางอย่างที่ตัวเองเยึดถือนะคืออย่างบางทีพูดคำว่าปล่อยวางนะ แล้วก็คือไปยึดยึดถือในความปล่อยวางก็มีนะออืไปยึดว่าเราคือบอกว่าปล่อยวางแต่เราไปยึดในการปล่อยวางเนะี่ยมันก็มันก็ยังไม่ใช่เหมือนกันนะอืมวิธีพวกสําคัญมากนะอัตตาแล้วก็มานะนะครับอัตตาขมานะมันเป็นสิ่งที่มันแสดงตัวซ่อนไว้บางทีก็ซ่อนไว้ในรูปของ ข อ, ของความดีห ร, หรือของสิ่งที่ดีๆแบบนี้แะไรนะเช่นการเป็นอาจารย์สอนนะการมีบริวานมีพวกพ้องนะมันก็ซ่อนไว้เมื่อสูญเสียไปมันก็เกิดความทุกข์นะอันนี้เราก็เอาดูเป็นตัวอย่างนะแม่เราอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไวนะ้นะนะ คือท่านบอกที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพื่อไม่ได้เป็นไม่ได้ทําเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้นะมีตอนนึ่งแต่ทําไปเพื่อนี่แหละเพื่อความเพื่อความหุดพ้นเพื่อความคลายจากกิเลสนะเพื่อเรียกว่าตัดตัณหาต่างๆนะ พระองค์ท่านสอนธรรมะก็ไม่ใช่เพื่อเป็นเจ้ารัตินะหรือแก้รัธิต่างๆนะบางคนเข้าใจผิดว่าพระพองค์เกิดมาก็เหมือนเป็นรัธิหนึ่งขึ้นมาแต่จริงจุดหมายของพระพุทธเจ้าเองไม่ใช่เพื่อเพื่อตั้งตนเป็นเจ้ารัธิใหม่หรือว่าเพื่อแก้รัธิเดิมๆนะมาต่อสูนะ้แต่สิ่งสําคัญที่จริงท่านต่อสู้กับอวิชชา อวิชาคือความไม่รู้หรือความหลงนั่นแหละนะท่านท่านท่านสู้หรือว่าจะเรียกว่าสู้หรือแข่งก็แข่งกับตัวนั้นตัวอวิชานะไม่ได้แข่งกับตัวบุคคลนี่สําคัญมากพวกเราเองก็เหมือนกันนะในการภาวนาในการทําอะไรต่างสิ่งที่เราเรียกว่าต่อสู้หรือว่าแข่งขันก็คือตัวอวิชานะ ตัวความไม่รู้ตัวความหลงนะอันนี่แหละหรือว่าความรู้ไม่จริงเนี่แหละนะสิ่งที่เราสิ่งที่เราต่อสู้นะแต่แต่การต่อสู้ตอนนี้นะมันเหมือนคล้ายๆเราแข่งกีฬาหรือว่าเราหรือคนที่เขาลบกันนะเราไม่ได้ไปลบอะไรหรอกนะแต่ย่างที่พาติดเขาว่านะถ้ามันต้องรู้เขารู้เรานะ ถ้าเรารู้เขารูเรานะคล้ายๆรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งแต่ต้องรู้จักเขานะรู้จากเขารู้จักตัวเราด้วยนะมันถึงจะเกิดการเรียกว่ากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในะการที่จะลบให้ชนะนั้นเราจะลบกับอวิชานะจะต่อสู้กับอวิชาก็เหมือนกันนะต้องเรียนรู้จักอวิชาก่อน หรือเราได้เอวิชัยง่ายกับความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงหรือว่าความหลงนั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้จากความหลงนะแต่ละวันเราหลงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็เรียนรู้ตัวเองนะนะเรียนรู้ดูว่าเราหลงอะไรนะในแต่ละวันนะมีอะไรที่เราหลงอยู่มีอะไรที่เรายังยึดติดนะยังหรือมีอะไรที่เรายังมีรู้อยู่อันนียคือเราต้อง เรียนรู้กลับมาดูที่ที่ตัวเราเองเลยแต่ละคนก็อาจจะมีความไม่รู้ที่แตกต่างกันบ้างความยึดติดที่แตกต่างกันบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าที่เราได้ฝึกหัดกันมานะคล้ายๆเหมือนกับนักเรียนนะในแต่ละชั้นก็มีความรู้ที่แตกต่างกันเพราะว่า บางคนเรียนสูงขึ้นมาแล้วก็ก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นบางคนเพิ่งเรียนประถมอะไรนะก็ยังมีเรื่องที่ต้องฝึกตาอีกเยอะอะไรประมาณอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมามาเรียนรู้ดูว่ามันมีกิเลสอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในใจนี้นยะมีอัตตาตัวตนอุปท า, านอะไรบ้างที่เรายึดติดถือมั่นนะ เนี่ยที่มันหลอกเราอยู่เรื่อยเนี่ยเราลองดูมันไปบ่อยนะลองศึกษาดูเนี่การมีสติเนี่ยก็เพื่อให้เราเห็นเนี่ยแหละนะเห็นกิเลสนะเห็นความยึดมั่นถือมั่นเห็นตัวตนเห็นมานะที่มันมันมันโผล่นะมันโผมันพ噗噗噗噗นะบางทีพวกกิเลสเนี่ยมันเหมือนพ噗โ噗噗นะมันเหมือนซ่อนอยู่นะในดูแอบอยู่นะ ะรนะเผลอเมื่อไหร่น้ําออกมานะมันเหมือนขโมยนะขโมยที่แบบคอยดูว่าเมื่อไหร่เจ้าของบ้านเจ้าของร้านจะเผล่นะมันก็จะแอบมาขโมยนะเนี่ยมันเป็นพวกพวกซ่อนแอบนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเผลอมันก็จะเข้ามาทันทะีนี่คือจิตใจเราก็แบบนั้นนะมันเหมือนเราเมื่อไหร่ที่เราขาดสตินะมันก็ จะแอบเข้ามาในใจอยู่เสมอเลยนแต่เมื่อไใ่ที่มันเรามีสตินะมันก็อยู่ไม่ได้นะอมันก็จะออกไปมันก็จะถอยไปมันก็จะหายไปนั้นที่จริงมันก็มีแค่สองอย่างนะเมื่อไใ่ที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานะปุ๊บนะกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็หายไปคือเรารู้ทันเรารู้ทันว่ามันเรารู้ว่ามันเผลอ เรารู้ว่ามันหลงนะมันก็มีสติเข้ามาแทนที่ไม่ต้องทำอะไรเบยมากกว่าแค่รู้แค่รู้ทันกิเลสแค่รู้ทันการยึดมั่นถือมั่นนะแค่รู้ทันความหลงต่างๆนะสติก็เกิดขึ้นมาแทนที่นะความหลงก็หายไปเนะี่ยถ้าเรารู้เราเห็นมันก็จะเกิดอย่างนั้นแต่บางทีเราอาจจะไม่บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้เห็นกิเลส ต, ตรงๆนะ แต่บางทีเราก็รู้กายอรู้กายนะจิตก็ไม่ได้ไปนสนใจไอตัวความคิดตัวกิเลสนะมันสนใจที่จะรู้สึกที่กายในการกระทํำนะมันมีสมาธิมันมีสติอยู่ตรงนั้นนะกิเลสมันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเราปิดประตูนะเราไม่เปิดเราไม่เปิดประตูนะมันก็ไม่มีช่องเข้านะนะ <c oughs> เรารู้ที่กายอยู่นะมันก็เหมือนไม่เปิดประตูเราก็อยู่ข้างในนะนะมันก็ปลอดภัยนะมันก็ปลอดภัยมันก็มีสติในครั้งนั้นครั้งนั้นแต่กายมันก็เป็นเพียงแค่เป็นเบื้องต้นนะการรู้กายนะมันเป็นเบื้องต้นในการที่เรียกว่าทําให้เรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นนะมีสมาธิมีสติมากขึ้นนะมีกําลังมากขึ้นนะ ความฟุ้งซ่านลดน้อยลงอเ น, นี้ยมันเป็นกรรมฐานตั้งต้นที่ตั้งต้นนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันเป็นเหมือนพื้นฐานที่ที่สำคัญมากการมีสติรู้กายบ่อยๆนะ่ะเหมือนจิตที่เคยฟุ้งซ่านมากๆก็ฟุ้งซ่านน้อยลงนะกำลังอินทรีย์ต่างๆที่อ่อนนะเมื่อกลับมารู้สึกตัวที่กายได้บ่อยนะ่ะอินทรีย์ต่างๆมันก็มันก็เข้มแข็งขึ้นนะ มันมีมันจะเริ่มเห็นนะเออเริ่มเห็นช่องทางนะเออมันก็สงบได้ขึ้นมากขึ้นเนาะเลยนะมันรู้ตัวได้มากขึ้นเนาะมันก็มีศรัทธามีความเพียร น, นะมีสติมีสมาธิปัญญามากขึ้นนะเหมือนเป็นการบ่มเพราะอินทรีย์นะสติที่รู้กายเนะี่ยมันกลับมาหาความเป็นปกติได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยนะ เรามันก็กลับมาจากความคิดได้บ่อยนะอย่างที่พอคิดเมื่ อ, อไรอ่ะอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลอะไรกับมันนะกลับมารู้สึกตัวก่อนนะมันเหมือนคล้ายๆความคิดมันจะชวนนะแต่ไม่ไปสักทนะีเหมือนเพื่อนมาชวนไปกินเหล้านะเราปฏิเสธบ่อยๆนะเขาก็เบื่ อ, อแต่เขาก็ไม่ชวนลนะ้นะไม่ชวน กิเลสมันตื้อมากกว่าคนเยอะนะคนเราว่ามันตือ้อละนะแต่จริงกิเดสนี้มันตื้อมากนะตื้อบ่อยมากมาชวนบ่อยมากแต่เราก็กลับมากลับมากลับมากลับมาบ่อยๆเนะี่ยกิเดสมันก็เหมือนไม่ได้เพื่อนนะไม่ได้อาหารเหมือนคล้ายๆเพื่อนชวนไปกินเหล้านะมันก็หวังให้เราเลี้ยงมันนั่นแหละหรือหวังเงินจากเราเป็นแบ่งกันจะได้กินได้กันเยอะ คล้ายๆพอมันไม่มีหุ้นส่วนไม่มีเงินไปสมทบนะไม่มีคนไปช่วยแชร์นะมันก็มันก็ไม่เจริญเติบโ ต, ตนะมันก็ไม่เมามากขึ้นเนี่ยการกลับมารู้สึกที่กายนะเราทำอะไรก็เราก็รู้ตัวนะมันจะเผลอไปคิดมันจะชวนไปหลงอะไม่เป็นไรนะเราะเราก็กลับมารู้สึกตัวนะไม่ต้องไปอะไรกับมันนะ ไม่ต้องไปอะไรกับมันสำคัญมากนะตอนแรกที่ฟังหลวงพ่อเนะี่ยบางทีก็โดยเจดิตนิสัยนะบางคนก็อย่างเราเองก็เป็นคนชอบคิดนะชอบหาเหตุหาผลชอบวิเคราะห์นะชอบวิจารณ์นะชอบสงสัยนะตัว เ, เองส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะหลวงพ่อบอกให้รู้ซื่อเนี่ยมันมันไม่ค่อยอยากจะรู้ซื่อเลยนะมันบางทีมันก็อยากจะคิด อทำไมมันถึงคิดอย่างงั้นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือพอมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันก็เอ้ะทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้อะไรนะอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะพ่อกเทษตรบอกนะมไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องเอาดีเอาไม่ดีนะ แต่ใจมันก็ยังอยากเอานะอืมมันก็แต่ก่อนก่อนศึกษาธรรมะนะเราก็จะคิดว่าเหตุผลมันถูกมันดีนะความถูกความยึดมั่นในความถูกต้องนะหรือว่าการเอาถูกเอาผิดเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเอานะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในยประมาณนะี้แต่ก่อนเราก็ไปยึดนะ แล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรายึดนะมันอยากจะมันไม่ค่อยอยากจะรู้ซื่อๆนะแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้นะรู้เพียงแค่รู้มันไอ้ความเราก็จะเห็นเลยอ๋ออันตัวนี้เรายึดนะเราติดเราคล้องกับมันอยู่นะนะมันจะเห็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆเนะีนะ่ยมันที่จริงพอเราฝึกสตินะมันก็ แม้เรารู้สึกที่กายเราแต่เราก็จะเริ่มเห็นจิตใจเห็นอารมณ์เห็นความคิดต่างๆจะเข้าใจเบื้องต้นคืออ๋อหลงคืออะไรหลงคือตตอนที่หลงไปไปกับความคิดนั่นแหละนะหลงถ้าไม่ไปกับความคิดมันก็ไม่หลงนะถ้าไปกับความคิดมันก็หลงเลยประมาณนะ่ะมันก็จะรู้เบื้องต้นอ๋อ หลงเพราะเราเผลอไปนะเผลอไปอยู่กับอารมณ์เผลอไปอยู่กับความคิดนะพอหลงไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่กับความคิดมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในความคิดมันก็ไม่ทุกข์อันเนี้ยอ่นี่คือความเข้าใจที่เราจะเข้าใจอ้อเราหลงเราทุกข์เพราะหลงนะเราทุกข์เพราะเราหลงตรงนั้นนี่เองนะนี่มันก็จะเริ่มเห็นอ้อ แต่ถ้าไม่หลงมันก็มีสติมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนี้ยอันนี้คือปัญญาปัญญาเบื้องต้นนะที่เราจะเห็นแต่พอฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็จะมันก็จะเห็นว่าที่จริงความทุกข์เนี่ยมันก็แทรกนะแม้แต่บางทีนะแม้แต่บางทีอยู่เฉยๆนะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นความคิดไม่เป็นอะไรหลัก แต่บางทีความหลงมันก็แป๊แๆนะแฝดแฝดนะจิตมันกระเพื่อมของมันเองนะมันก็เป็นความหลงแบบหนึ่งนะแต่เป็นความหลงที่นะี่ไม่ใช่มันมันก็ยังเป็นความหลงที่เนียนนะที่เนียนแต่บางทีมันก็มีความหลงอีกอีกหลายอย่างโดยเฉพาะหลงในด้านความสุขด้านสิ่งที่ดีนะ บางทีภาวนาใหม่ๆอารมณ์ที่เจอเช่นอารมณ์ปิตนะิมันก็หลงนะหลงเดินแล้วมันสบายเบิ่อแล้วเพลินนะเดินนานๆนั่งนานๆนะสนุกในการเดินสนุกในการนั่งไม่อยากกินไม่อยากทักไม่อยากอาบน้ำไม่อยากกวาดลานวัดอะไรแบบนะั้นอารมณ์พวกนี้ยมันเราก็รู้สึกมันดีนี่ดีวันนี้ได้นะ ตรงนี้ก็อยากได้อีกอนะไรนี่แหละก็มีมทาไมเมื่อวานมันดีทําไมวันนี้ไม่ดีบางทีก็เปรียดเที่ยงนะมันก็ไม่รู้นะว่าเราหลงเขาแต่พอทําไปเรื่อยนะมันเหมือนคล้ายๆเี่ยเห็นมันมบ่อยสัมผัสกับมันได้ไบ่อยเอมันก็มันก็ไม่เที่ยงเป็นแบบนี้เองเนาะ ม, มันก็ไม่แน่นอนเป็นแบบนี้เนาะ อยากจะได้มันไม่ได้ไม่อยากได้มันได้เออมันก็จะเข้าใจไอ้พวกนี้ถ้าไปอยากได้มันไม่เกิดแต่พอทำเฉยเฉยมันก็เกิดเองของมันแต่พอเกิดเองแล้วมันก็เหมือนคล้ายคลยมันก็จะเฉยกับมันมากขึ้นนะแต่ก่อนที่เคยลงกับปิติมันก็รู้ว่ามีปิติแต่ไม่ลงกับปิตินะปิติหายก็ไม่เสียใจ แต่ก่อนพิติเกิดดีใจพิติหายเสียใจนะเบาสบายเกิดขึ้นพอใจนะไม่ค่อยเบาเหมือนเดิมแล้วนะก็ไม่ค่อยพอใจลนะแต่ก่อนเป็นแบบนั้นแต่พอเราเห็นมันเลยว่าใจมันเป็นกลางมากขึ้นนะเกิดก็ตามหายก็ตามมีก็ตามไม่มีก็ตามนะก็แค่รูนะ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนะี่ย แต่มันก็ต้องเห็นบ่อยๆนะเห็นซ้ําไปเห็นความหลงของตัวเองนี่แหละนะหลงบ่อยๆบางทีแต่ถ้าเราไปคาดหวังอยากจะได้อันนี้ไม่อยากได้อันเนี้ยอันนี้คือความหลงมันจะเห็นที่จริงไอ้ความคิดต่งตางๆมันเกิดเพราะความอยากได้ของเรานะความทุกข์อะความทุก man, ข์เกิดเพราะความอยากได้ะเพราหรือความทุกข์มันเกิดเพราะความ Theo, ที่เราไม่อยากได้นี่แหละ มันจะเริ่มเห็นเหตุของความทุกข์ที่มันมันคล้ายเป็นต้นต่อนะแต่ก่อนเราเห็นที่มันตัวความคิดนะมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันชวนแต่พอเห็นด้วยขึ้นจริงๆเนี่ยไอ้ต้นตอมันคือตัวตัวอวิชชาคือความตัวอวิชชาที่มันเกิดขึ้นมาเนียด้วยเพราะความอยากเนี่ยแหละเพราะตัณหา นะท่านหามันมีขึ้นมานะมันอยากได้มันไม่อยากได้นี่แหละมันเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติของเราเลยเนะี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะไอ้ตัวนี้นะปรมแต่งก็เอาเพราะตัวนีนะ้ตัวความอยากเนี่ยเป็นตัวตัวสําคัญมากนะนะเราก็ต้องเนี่ยฝึกฝึกไปเรื่อ ย, อยนะมันก็ค่อยๆเห็นนะเห็น แต่ตัวนี้มันไม่ใช่ละง่ายๆนะเป็นตัวเรียกว่าโคตรนะเป็นตัวรากแต่อื่นตัวเง่ามาเลยน ะ, น, ะ <_ d ose> นั้นเราก็จะค่อยๆเห็นนะไอสิ่งที่มันจะยากไปก่อนนะนะเ <_ d ose> ช่นความไม่ไอความไม่อยากเนี่ยมันก็บางทีไอความไม่อยากอะไรๆอย่างมันก็เห็นง่ายนะ <_ d ose> หรือความอยากหลายๆอย่างมันก็จะเห็นง่ายนะแต่ตัวละเอียดขึ้นไปเนี่ย อยากดีอยากรู้นะอยากปล่อยวางนะอะไรเนี่ยไอพจนี้จะละเอียดมากเพราะว่ามันก็ความดีนะความรู้ความปล่อยวางมันก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็ได้ฟังเราก็อยากจะทําแบบนั้นเนาะแต่บางทีมันทุกข์พเพราะเราอยากจะดีก็มีนะทุกข์เพราะเราอยากจะปล่อยวางก็มี ทุกข์อยากจะดูนะทุกข์อยากจะพ้นทุกข์อะไรอย่างนะี้โอ้มันถ้าเราไม่เห็นว่ามันมันทําให้เกิดความทุกข์ใจยังไงนะเราก็ยังจะหลงอยากกับมันเยอะนี่เราก็เห็นไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะเห็นไปบ่อยๆมันจะปรับทิฏฐินะเ เป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นนปรับจิตเนี่ยให้เป็นกลางให้เป็นส ม, มาธิมีสติมากขึ้นนมันการมีสติเนี่ยมันจะปรับทั้งข้างนอกปรับทั้งข้างในเนาะปรับทั้งทิฏฐิความคิดความเห็นต่างตนะ่างเนี่ยมันก็จะเข้าไปปรับนมันก็จะไปปรับทั้งข้างนอกด้วยทั้งการกระทําทคำคําพูดเนาะ นะคําพูดนี่ก็รู้จักยั้งคิดนะอบหยาบเลยก็โกหกอะไรแบเนั้นนะหนะ ย, ยาบหรือว่าพูดคำหยาบเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่หยาบนะแต่เรื่องเรื่องทีละเอียดมากขึ้นนะก็เช่นพูดส่อเสียดนะส่อเสียดบางทีมันก็แฝงด้วยอารมณ์ไม่พอใจแฝงด้วยอารมณ์สนุกสนานเหมือนกันนะอนะ ไม่พอใจคนอื่นสนุกที่ได้สอเสียดเขาเนี่ยมันมันก็ละเอียดขึ้นนะมันไม่ห ย, ยาบๆยานะแต่มันเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกมีการศึกษาที่สอดเสียดเป็นนักเกง่เกงๆเลยนะมันเนียนขึ้นนิดนึงเลยนะแต่มันก็เจอด้โทสะแล้วก็เจอด้วยด้วยความสนุกสนานนิดนึงเลยนะหรือพูดแบบเพรสเจอร์นะปรุงแต่งต่อไปเรื่อยนะ ไม่รู้พูดไปเพราะอะไรนะแต่ก็เขาพูดมาก็ไล์ไปเรื่อยนะแต่บางแต่บางทีมันก็อาจจะดูที่คำพูดเสียทีเดียวก็ไม่ได้หรอกก็แต่ละคนอาจจะเราก็ไม่รู้เขาพูดด้วยสติหรือไม่มีสติอย่างไรเนาะแต่สำคัญจริงเราเราดูตัวเองมากกว่าเช่นพอไหลไปกับอารมณ์ที่เพลยเจอเนี่ยมันจะคล้ายๆมันก็จะมีมันมี คือพอทําแล้วมันจะมีความเหนื่อยนะมีความเพียนะหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดเป็นการติดนะในจิตสำนึกบางอย่างนะพอพูดไปเนอะกลับไปแล้วก็เก็บไปคิดนะกลับไปแล้วกเก็บไปฝันอะไรแบบนี้นะมันจะเห็นอ๋อนี่เพราะเราเพยเจอถ้าเพลย์เจอเยอะเยมันก็เนะี่ยมันก็จะคิดฟุ้งส่านเรื่องนี้เยอะนะหรือบางคนก็ไปฝันเลย เนะี่ยคำพูดมันก็สิ่งที่ต้องมันก็เป็นตัวถ้าเราดูดีๆอ๋อเราก็จะเห็นแบบหยาบนะเช่นความโกรธก็พูดคำหยาบหรือถ้าหยากถ้าโลภนะก็บางทีก็ทำให้เราพูดนะพูดแบบโ ก, กหกมดเทศนนะแต่บางทีมันก็ความหลงนะพูดเสือด้โทสะนิดๆเนี่ย เช่นพูดส่อเสียอนะไรเนี่ยเจอด้วยโมหะไปด้วยพูดด้วยความเพ้เอเจนะ้อเนี่ยมันก็เป็นคําพูดที่เราเองก็ดูนะดูแล้วก็เออ ม, มันจะออกมาแบบนี้แล้วเนะี่ยแล้วก็เห็นหอถึงมันพูดไปแล้วพอเรารู้ตัวมันจะดุ้งขึ้นมาแล้วก็กลับมาหยุดพูดซะก็นะดูอารมณ์ข้างในแทนดูข้างในมันอยากพูดดูข้างในมันอึดอัดใจอยู่นนะ ดูดูตัวเราเองกต่ดูไปสักพักมันก็จะปรับของมันเองมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกตินการกระทําต่างๆก็เหมือนกันนะเราก็จะสังเกตดูดูร่างกายมันหายใจบ้างดูร่างกายมันเดินดูร่างกายมันนั่นมันนี่นะบางทีมันก็แต่ร่างกายเองบางทีมันก็มันไม่ได้ปรับรวดเร็วนะบางทีหายใจไม่ค่อยสบายนะ บางทีก็อาใส่ดูไปบางทีไปตั้งใจดูตั้งใจปรับมากเกินไปมันก็อาจจะไม่สบายก็ได้นะอืมก็ปล่อยปล่อยมันบ้างปล่อยปล่อยมันบ้างอย่าไปกําหนดมันมากะบางทีไปกําหนดมันมากนะมันก็ยิ่งมันยิ่งเครียดนะคล้ายเหมือนกับเราเราไปสอนใครนะเราพยายามจี้พยายามย้ำเนี่ยไอตัวคนที่ทําเนี่ยมันก็เครียดนัแบบครูมาจี้ครูมาย้ำ มันต้องพอดีพอดีเตือนแบบไหนพอดีปล่อยแบบไหนพอดีเราก็ต้องดูแต่เองเหมือนกันนะเวลาเราจะปรับนะบางทีร่างกายเช่นมันหายใจไม่ค่อยสบายอืมก็ค่อยๆดูอย่าไปแบบไปจริงจังมันมากไปนะบางทีมันก็มันก็มากเกินไปก็มีะเนี่ยมันก็จะค่อยๆมันก็ เรียกว่าสตินะมันก็ปรับทั้งข้างนอกปรับทั้งข้างในนะอืมข้างนอกมันก็มีความสำรวมมากขึ้นนะข้างในมันก็มีความรู้สึกรู้ตัวมากขึ้นนะเห็นกิเลสมากขึ้นนะข้างนอกมันก็มีความระวังมากขึ้นนี่คือพระพุทธจาท่านท่านเน้นสอนที่ตรงเนี้ยนะเน้นให้เราเห็นกิเลสนะ เห็นอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นนะเห็นตัวตนที่มันแสดงขึ้นมาเห็นมานะนะในการเปรียบเทียบนะในการสำคัญมั่นหมายตัวเรากับคนอื่นในมันนะนะเห็นถึงน่แหละอวิชชานะคือความถ้าว่าไปจริงคือความเข้าใจผิดหรือความรู้ไม่จริงนะ แต่ก่อนเราคิดว่ามันเที่ยงแต่จริงมันไม่เที่ยงแต่ก่อนคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราจริงๆนะแต่มันก็ทำให้เราเข้าใจถูกเออมันไม่ใช่ของเราจริงๆริงคนรักก็ไม่ใช่ของของเราจริงๆร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของของเราจริงๆระ น, นะ <neighbourhood> s. <S จิตใจนี้นะก็ไม่ใช่ของเราจริงๆระอืะวันที่เรารู้สึกว่ามันจิ ต, จตใจของเรานะ จริงถ้าดูจริงๆเหมือนเราตรวจบทอนนัตะลักคณะส่วนนะมันมันเป็นขันห้านะขันทั้งห้ามันมันไม่เที่ยงนะมันบังคับไม่ได้นะเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อมันบังคับไม่ได้นหควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่เลยนะมันก็เห็นนะอืเออจริงๆนะความคิดมันก็บังคับไม่ได้นะ ความคิดมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆนะมันก็เกิดการเห็นเกิดการวางเกิดการเห็นเกิดการวางนะหรือบางทีหลวงพ่อพูดอ่ะเห็นแล้วก็พ้นไปเห็นแล้วก็พ้นอันนี้ก็เหมือนกับเราปฏิบัติรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ถูกแล้วรู้แล้วก็พอแล้วมันก็แต่เราก็ทําได้ทีละขนานะ มันไม่สามารถจะทําอะไรไปมากกว่าไปมากกว่าแค่ทําทีละขณะรู้ทีละขณะเห็นทีละขณะนมันก็จะพ้นไปทีละขณะนทําได้แค่ปัจจุบันนะั่นทที่เราทําเนะฮะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นการสู้กับกิเลส ข, ข้างในนะแต่เป็นการสู้แบบเนือ่อเหนื้อเนือเน่อเหนือน้อนะ สู้ด้วยการดูด้วยการเห็นนี่ยหละนะมันจะเหนือขึ้นมามันจะไม่หนักนะแต่ถ้าไปไฟไปพุกมันมากเนี่ยมันจะหนักนะสติมันจะทำให้เราพ้นออกมาเหนือออกมาหลุดออกมานะเนี่ยมันก็จะหลุดมาเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นนะพอเป็นพอเริ่มดูเริ่มเห็นได้มันจะมันจะเบาขึ้นนะมันจะไม่ค่อยหนักมันจะเอ่้เห็นทางทาง รู้อยู่นะห่างๆกิเลสเข้ามาไม่ถึงเข้ามาไม่ถึงอะไรเงี้ยนะไอพวกตัวหยาบๆนะเห็ดแต่ตัวละเอียดน่ะมันก็มันก็แฟงอยู่นะมันก็ยังแฟงอยู่นะตอนแรกนึกว่ารู้นะแต่พอไปเรื่อยๆโอ้มันยังมีิีดที่เราลงอีกเยอะเนี่ยเราก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆนะมันแต่มันก็เหมือนว่าเออมาถูกทางนยแต่เราก็รู้ตัวว่าเราจะมีงานที่ต้องทำนะ ยังมีอีกเยอะที่เราต้องศึกษาเหมือนกันมันเหมือนโอ้เหมือนมาได้ได้ต้นทางแล้วนหรือบางคนก็รู้สึกได้กลางทางแล้วอันเนี่ยแต่ก็ยังมีทางที่ต้องเดินต่อมีกิจที่ต้องทําต่อเนี่ยอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่นาะหน้าที่ หน้าที่ที่ที่สำคัญมากโดยจะพวกเราหลายคนก็คือเป็นนักบวชหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมถือเป็นหน้าที่ในการศึกษาศึกษากายศึกษาใจนะดุ่มหลวงก็คือศึกษาเพื่อให้เห็นอวิชชานะเห็นความหลงเห็นความไม่รู้นะ เห็นความยึดติดถือมั่นเห็นอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาแล้วปึกษาก็ให้เห็นนะให้รู้จักให้รู้จักอาอวิชชาแล้วมันจะถอนคึื่นตัณหาได้คนะือต้องรู้จักเขานะมันถึงจะชนะได้นะมันรู้จักศัตรูนะมันถึงจะชนะศัตรูได้แต่จริงศัตรูจริงๆมันก็ไม่ใช่อื่นไกลนะศัตรูจริงๆก็คือ <c oughs> มันอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละนะมันไม่เหมือนคู่แข่งที่มันเหมือนต้องไปแข่งข้างนอกนะแต่จริงศัตรูจริงๆมันอยู่ข้างในอยู่ในตัวเราเองเนี่แหละนะก็เหมือนก็เลยต้องกลับมาศึกษาตัวเองชนะก็คืออะไรชนะตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นนะอืมชนะคนอื่นน่ะเออคอยขับพันหนนะไม่สู้ไม่สู้ชนะตน เพียงแค่คนเดียวเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่แหละสำคัญที่สุดนะกระปากไว้ครับนะส